โดยจะเจ็บหอมหลอมริบก็เจยวของกับคนหลายคนรัพภายนอก้ามีปัญญากันบ้างจะเป็นแรงข้ามมาการข้ามหนีต้องร่วมมือกันจึงจะรักษาทรับไว้ได้ถ้าไม่รู้จักรักษาก็เศรษฐีกลายเป็นคนยากจนได้คนท้ารู้จักรักษาคนจนกลายเป็นเศรษฐีได้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 ปีนึงสามมื่นบาทใต่ข้าวปีหนึ่ ง, ส, มมงสักร้อยติบมันก็ไม่ค่ามากกว่าเงินสามหมืพนาะใช่กันในหัวหน้าครอบครัวแต่เงินทองน่ใช่กันแม่เด็กตัวเล็ ก, กอายุสามขวบไปเสื้อสินเชื่อ อ, อาหารการกินข้าวหนมมากินแล้วแม่กะมาบ้านต้องไปจ่ายเงินให้ลูกน้อยอายุสามปีสี่ปี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 เราะถ้าเขาต้องการเงินอาสังหารมทรับมันก็เป็นทรั์ที่ดีเหมือนโบราณคนโบราณเราว่าคนไทยกินเหล็กคนเจ็กกินดินใช่ไหมกินยังไงคนจีนเนี่ยต้องซื้อที่ดินเลยคนไทยซื้อเหล็กซื้อลวดซื้อลากรนเป็นท่ามังก็เลยต่างกันไปอสังหารมิซัอสังหารมิซับอันรัพย์ไานี่ะคือสติ สตินี่แปลไปเป็นซัพ์ได้หลายอย่างแล้วก็ซัพ์ภายนอกใช่ได้เฉพาะแคบๆได้เลยเพราะแคบๆในหมู่หรือการทับบนบ้างสร้างว่ัจ้างว่าบ้างเป็นประโยชน์บ้างอันซัพบไปไหนเนี่ยใช่ได้เป็นล้นโลกไปเลยเราไมีสติก็ไม่ทานไม่ศช่นมีสมาธิมีปัญญาไม่เมตตากรุณาเป็นวนเป็นกุศล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 มันจะอาภัพกวาสัตว์ประเภทอื่นๆคิตของคนเราเนะี่ะมันไม่ีสมองวนขวยกันบ้างชีวิตหนึ่งเดียวนะ่ะวนขวยไปเราทาความรู้สักตัวเราสร้างความรู้ตัวก็ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปโดยที่เดียวจึงอย่าให้ขาดแคลนเราอยู่ร่วมกันในโลกเนะี่ยเราใช่แผ่นดินท้องฟ้าที่ไหนๆร่วมกัน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 แล้วก็มีส่วนร่วมในการทําให้ดีกัแบบโลกเขาเขาว่ามันก็มั่นใจนะมั่นใจตรงนี้มากๆเลยทําไมคนเราจึงเป็นอย่างนี้ทําไมจึงมาทำอย่างนี้มันก็มั่นใจไม่มีขาดแขนไม่มีอาภัพตรงนี้แม้ทําได้ก็ยังมั่นใจอยู่เรื่องทรัพย์ภายในแหละให้เหมือนทรัพย์ภายนอกบางทีก็ใช่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 อนในเชื้ของเราก็มีอะไรย์มเนี่ยใช่แต บ, บทุกกรณีในเชืิตของเราโดยจะเดียวเราจะตะโกนบอกคนทั้งโลกขาดแคลนทำไหมมีแ ม, ม, ม่ตามีลงไปก็นายมีลงไปมุ้ยตามีลงไปแวกขามีลงไปความไม่ปลอภัยมีลงไปไม่ถือสาหาเรื่องอะไรเอาลงไปใช่เท่าไหร่ได้มากเท่านั้น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 พระศาสดาฝากไปให้คู่กันมันก็มีกายมีใจเนี่ยแมนะ้พระเจ้าตากกี่ปีมาแล้วพระเจ้าตากสิ น, นที่กอบกู้แผ่นดินขึ้นมานมือบไปให้พวกเราคนไทยทั้งชาติทั้งโลกเราก็คนเขชาติชาติคือคนคนต้องเป็นคนดีไม่ใช่คนหกสิบล้านคนอ่ะอันนี้จะเรียกว่าชาติไหชาติคือคนดีคนดีคือชาติเจริญ